เพียอแคคืน้ได้ใจวา น, นจ า, านมีแค่คืนเให้กนกันนสัมัสคอวางปยเพียงกขึ้นในใจสิสงง่งอื่นทั้งหก็งอแกละเป็นกันตายเวลคนให้สิ่งต้องเป็นขคนที่เชมยมที่ให้ไล oh แม่คุณคนสวยถึงใจผมรดัดด้วยตึ้งแต่ข้างในเจอ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 คือมองว่าผมจะชืนในสายตาคือผมมีแค่คืนแค่คืนคเดียวม่ เธอส้นเป็นยาพุมเธอผูชาคาถาเวทมนต์ปุกสกอะไรคืนสนใจม่อกลกับผมอจกนี้เธกลงังหายใจของผมไปคืนพูด่เดียวเพราะคุณมีค่ากว่าสิ่งไหนไหนยอมใจทันใจไม่ว่าอะไรตัมงใจให้คุณ And I.